ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะประปุพพติขาและปุพพติขาวันน า, นาพระอมราพิรุติตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรัชนาต่อไปก็จะเป็นเรื่องของทุติยปาราชิตก็คือในอธินาทานสิทขาบทที่สองความว่า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 โดยอาการแห่งการลักต่างๆคือฟ้องร้องเบียดบังหลอกลวงสับเปลี่ยนช่อชิงคมเหงคว้างทิง้งใดๆก็ดีทิกตุนั้นเป็นปาราชิตซึ่งว่าบาทหนึ่งนั้นในบาลีว่าห้ามาตกเป็นบาทหนึ่งในเมืองราชคลึโดยบาลีว่าเตนะโขปนะสมเยนะราชะกะเหปัญจะมาสโกปาโดโหติ ในอัตกถาว่ายี่สิบมาศกเป็นกะหาปณะหนึ่งในมือราชคลึในครั้งนั้นเพราะเหตุนั้นห้ามาศกจึงเป็นบาทหนึ่งโดยลักษณะนั้นพึงรู้เถิดว่าส่วนที่สี่แห่งกะหาปณะเป็นบาทหนึ่งในชนบททั้งปวงก็แต่ส่วนที่สี่แห่งกะหาปณะนั้นพึงรู้ด้วยสามารถแห่งโบราณนีละ ก, กะหาปณะใช่กหาปณะอื่น มีรุธระดามกะหาปณะเป็นต้นด้วยว่าแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตและอนาคตท่านก็บัญญัติทุติยะปาราชิตด้วยบาปส่วนที่สี่แห่งนีละหาปณะนั้นทั้งสิน้นโดยปาฐะว่าปัญจามาสโกปาโดติตดาราชะักะเหวีสติมาสโกกะหาปโนโหติตัสมาปัญจ มาตะโกปาโดเอเตนะรักขะเนนะสับะชนะประเดสุกหาปนะสะจะตุโถภาโคปาโดติเวดิตโบโสจโขโปรานสะนีลกหาปนาาะสะวเสนะณอิตเตรสังรุทธะดามกาดีนังเตนะหิปาเดนะอติตาบุตถาติปาราชิกังปัญญาเตสง อนาคตาติปัญจเตสันติก็แลกรารนิฉัยบาตรมคตลงเป็นเงินในสยามประเทศนี้ตามอัตลกถาและดีกาจะกล่าวในเบื้องหน้าในที่ตดแห่งวินิจฉัยทั้งปวงก็คือท่านก็จะวินิจฉัยเรื่องของอาหมากเนี่ยเป็นบาทรหนึ่งถ้าเทียบกับเงินไทยก็ในตอนสุดท้ายนี้ท่านจะกล่าวหลายในมากเลยนะกล่าวถึงเท่ากับทองหนักยี่สิบเม็ดข้าเปลือก เป็นราคาบาทหนึ่งก็มีสิทธิรัฐของราคาเท่าราคาของทองหนัก20เม็ดเท่าเปลือกนี่ก็เป็นประชิดบางในท่านก็เอาตรงนี้หรือว่าบาทหนึ่งเท่ากับเป็นเงินห้าสลึงในสยามประเทศเมื่อพศประมาณ 2,385 ประมาณ165ปีมาแล้วนะ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 มันก็มีหลายในในอุตราวิณิชัยดีกาเอาทองหนักยี่สิบเม็ดเขาเปลือกห้ากลอ่องคิดเป็นสิบหกหนักเป็นเงินสองสลึงเฟื้องในสยามประเทศเป็นบาทหนึ่งในจินนาทานติขาบทมีหลายในถ้เจมาตรฐานนี่าาท่านก็บอกว่าวิธีทันก็คือว่าให้เอาทองทองบาทหนึ่ง เงินบาทหนึ่งทองแดงสองบาทเอาทองเอาเงินแล้วก็เอาทองแดงรวมกันเสร็จแล้วก็เป็นยี่สิบบาทเป็นสี่บาทแล้วก็เอาน้ําหนักมาส่วนหนึ่งเป็นบาทหนึ่งส่วนที่สี่แห่งนีละกะหาปณะแล้วก็เอาส่วนที่สี่มาก็คือน้ําหนักของนา สี่ของนีรกาปนะณะจะไปก็แลอวหารอาวหารก็คือการลักเนี่ยอาการที่จะรักนั้นพึงรู้โดยบาลีหกบทดังนี้ก่อนคืออาดิยณะอย่างหนึ่งหรือว่าอาดิเยยะเนี่ยนะคือเอาหาระณะอย่างหนึ่งนําไปอวหาระณะแล้วก็อิริยาปะทวิโกปะณนะใหเอริบดสมเดิ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 ครั้เจ้าของสงสัยว่าเราจะได้หรือไม่ได้ทีตุนันต้องถุลใจครั้นเจ้าของปลงธุระว่าจักไม่เป็นของเราแล้วทีุ่ก็ปลงธุระจักไม่ให้แล้วจึงเป็นปาราชิดถ้าทิกสุยังคิดจะให้อยู่เป็นแต่แสดงอนุภาพให้กลัวก็ดีหรือเจ้าของยังไม่ปลงธุระก็ยังรักษาอยู่ก่อนต่อเมื่อใดปลงธุระลงทั้งสองข้าทีุ่ ก็จักไม่ให้เจ้าของก็ว่าไม่ได้แล้วจึงเป็นปาราชิตนี่ก็ฐานะแรกนะอาหารแรกเรียกว่าอาดิเยยะคือเอาข้อที่สองก็คือหารณะนั้นว่าเอาไปหรือว่านำไปได้แก่ทิฏฐุช่วยนำของแห่งผู้อื่นไปด้วยศรีรษะเป็นต้นครั้งมีเถยจิตคิดจะลักจับต้องลูกคำของอยู่บนศรีรษะนั้นต้องทุกกด ทาให้ของนั้นไหวไปมาอยู่บนศีรษะต้องถุดจใจลงของนั้นลงมาที่บ่าต้องปราชิตกำหนดศีรษะนั้นก็คือข้างหน้าเพียงหลุมคอข้างหลังเพียงท้ายผมตกข้างทั้งสองเพียงหมวกหูติยกตุเลื่อนของลงมาจากศีรษะไม่ให้พน้นศีรษะเลยพอพ้นเขตศีรษะที่กำหนดไว้ก็เป็นปราชิดถ้ายกขึ้นพอพน้นศีษะเส้นผมหนึ่งก็เป็นปราชิดเหมือนกัน ของแบกบนบาและกระเดียดด้วยสเส e x ูดโดยมือก็ให้วินิจฉัยเหมือนของอยู่บนศีรษะนั้นเถิดเคลื่อนจากฐานที่ตั้งมาไว้บนศีรษะหรือว่าบนบาบนส e x อ e เมื่อไรก็ต้องประราชิดอาการที่สามเรียกว่าอาวหารณะหมายถึงการเอาลงได้แก่พิสุรับของฝากเอาไว้ครั้นเจ้าของมาทวงี่สุกแกล้งกล่าวเพี้ยนคาว่าข้าไม่ได้รับไว้ กล่าวดังนี้ด้วยเถยจิตต้องทุกกฎทําให้เจ้าของเกิดความสงสัยว่าจะได้คืนหรือไม่ได้คืนต้องอะบัดถุนลดใจครั้นเจ้าของปร่งธุระทิสุก็ปร่งธุระทั้งสองข้างดังกล่าวแล้วในอาดิญะนั้นพิสุนั้นก็เป็นปราชิกอวะหารณะนี่ก็หมายถึงว่ายักยอ่เอเขาฝากของไว้แล้วก็ไม่ให้คืนมาทวงแล้วไม่ให้คืน่างนี้ก็เป็นปราชิกเรียกว่า อวะหะรณะต่อไปอิริยาบถาวิโกปณะนั้นว่ายังอิริยบทใสําเริบได้แก่พิกจุมีเทยจิตคิดจะลักพาของกับทั้งคนผู้นำของไปด้วยและไล่คนผู้นำของไปนั้นให้ยกเท้าทีแรกก้าวไปตามประสงค์แห่งตนต้องถูดใจไล่ให้ยกเท้าที่สองก้าวไปอีกต้องปาราชิกเอของเท้าเท่านั้นเองเท้าแรก เคลื่อนไปก็ต้องถุรจิตใจายสองเคลื่อนไปพ้นจากที่เหยียบก็ต้องฝาราชิกต่อไปอาการที่ห้าคือฐานาจาวะหรือว่าฐานาจาวยะว่าให้เคลื่อนจากที่ไปให้เคลื่อนจากที่ไปได้แก่ที่สุขิจลักของที่ตั้งอยู่บนบกในน้ําในที่แห่งใดแห่งหนึ่งนั้นจับต้องรูปกรรมของนั้นเป็นทุกกฏทําให้ของนั้นไหวไปมาอยู่ในที่เป็นถุรจิตใจ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 หรือเอามือกรรมเอาก็ดีเงินที่อยู่ในภาชนะและในมือนั้นขาดไม่ติดกับเงินที่อยู่ในหม้อแล้วถึงยังไม่ยกขึ้นก็เป็นปราชิตถ้าของนั้นมาอยู่ในภาชนะที่เอาไปตักหรือว่าอยู่ในมือที่กำขาดจากกันแล้วไม่ติดเนื่องกันก็เป็นปราชิตยังไม่ต้องทันยกขึ้นอาการที่หกก็คือสังเกตวีตินามณะนั้นว่าล่วงสังเกตหรือว่าร่วงเข ได้แก่ด่านขนนที่พระเจ้าแผ่นดินตั้งไว้ในระหว่างเขาขาดและท่าน้ำประตูบ้านอันใดอันหนึ่งว่าผู้ใดเข้ามาในที่นี้ให้เรียกเอาค่าด่านขนนเพิกสูไปถึงด่านขนนเช่นนั้นคิดจะไม่ให้ค่าด่านขนนมีเถอยจิตจับต้องลูกคำพันดะที่ตนเอาไปควรค่าด่านขนนบาทหนึ่งนั้นต้องทุกกด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 ถ้าเจ้าของไม่เห็นเราจะลักเอากำหนดดังนี้แล้วก็พาของนั้นเดินไปยกเท้าทีแรกก้าวข้ามประตูห้องเป็นต้นที่สังเกตไว้ต้องถูรทั้ใจยกเท้าที่สองก้าวไปอีกต้องตาราชิดดังกล่ามานี้ก็ชื่อว่าร่วมสังเกตเหมือนกันก็คือร่วมเขตนั่นเองแต่ว่ามีปริกบอันหนึ่งอวหารคือการรักพระอาจราจารย์ตั้งไว้ว่ามีอยู่ยี่สิบห้า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 ปุพพะประโยคะปัญจกะหมวดหนึ่งแล้วก็เถอิยวะหานปัญจกะหมวดหนึ่งก็แลน า, นานาพันดะปัญจกะนั้นว่าหมวดแห่งการละห้ามีของต่างๆเป็นที่กำหนดคือจะมีชื่อหาชื่ออาดิยณนะอาดิยนะอารณะอวะารณะยุริยาปะทวิโกปณะนะแล้วก็ฐานาจวนณะเมื่อคู่นี้ก็กล่าวถึงอวหารก็มีห้าอย่างนี้ด้วย มาดูรายละเอียดอดิยนะโจ์เอาของมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณของเขาหนึ่งโจรของเขาหารณะก็คือช่วยนำเอาของที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณของเขาไปหน่งอวะหารณะก็คือบิดเพียนเอาของที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณที่เขาฝากไว้ไปหนึ่ง อิริยาปัฏฐาวิโกปณะนะทำเอิริยาบทแ่งคนผู้นำของไปให้กับเรเบหนึ่งฐานาจาวนะทำของมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณให้เคลื่อนจากฐานหนึ่งอวหารห้าบทนี้ชื่อว่านาน า, นาพันตะปัญจะตะเพราะกำหนดด้วยของต่างๆคือของที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณวินิจฉัยพิตรดาให้พึงรู้ดังกล่าวมาแล้วในบททั้งหกขั้นต้นนั้นเถิดก็คืออวหารหกอย่างขั้งแรก เหมือนกันงแต่ว่าของนี้เป็นของมีวิญญาณด้วยและไม่มีวิญญาณด้วยต่อไปก็แลเอกพันฑะปัญจกะนั้นว่าหมวดห้าแห่งการลักมีของสิ่งเดียวเป็นที่กําหนดคืออดิยณนะโจดเอาของมีวิญญาณคือาธาตุและสัตว์ของเลี้ยงของเขาหนึ่งฮารณะช่วยนําเอ า, าธาตุและสัตว์ของเลี้ยงของเขาไปหนึ่ง อวะหาณะบิดเพียนเอาธาตุและสัตว์ของเลี้ยงที่เขาฝากไว้นึงอิริยาประาวิโกปณ ะ, ะทําอิริยาบทแห่งธาตุและสัตว์ของเลี้ยงของเขาให้กำเริบหนึ่งฐานาจาวะณะทาธาตุและสัตว์ของเลี้ยงของเขาให้เคลื่อนจากฐานหนึ่งห้านี้ชื่อว่าเอกพันดปัญจกะกําหนดด้วยของมีวิญญาณสิ่งเดียววิเนิจัยโดยพิธาดาดังกล่าวแล้วในก่อนก็เหมือนการยงแต่ว่า เป็นสิ่งที่มีวิญญาณเป็นสัตว์มีชีวิตหรือว่าเป็นมนุษย์ก็แล้วแต่ก็แลสหัติกะปัญจกะนั้นว่าหมวดแห่งการลักถ้ามีลักด้วยมือตนเป็นเบื้องตน้นก็คือสหัติกะหนึ่งอนัติกะสองนิสกิยะ 3, สามอัตสาติกะสี่แล้วก็ทุระนิเขปะเป็นที่ห้า ตาหติกะก็รับด้วยมือตอนเองอานัตถิกะก็ใช้คนอื่นลักนิสักียะก็กว้างหรือว่าโยนไปอัฏฐะสาธิกะก็หมายถึงว่ามีเนื้อความมันสําเร็จประโยชน์ธุรานิเสปะก็ทอธุระตาหัตถิกะนั้นว่าการรักเกิดด้วยมือตอนเองคือทิตุลักของที่ตั้งอยู่บนบกในน้ําและที่ใดที่หนึ่งเป็นของผู้อื่นด้วยมือตอนเองก็เรียกว่าสาธิกะ อนัติกะนั้นว่าการลักเกิดด้วยบังคับคือพิจูบังคับให้พิจุอื่นลักว่าท่านจงลักของสิ่งนี้ผู้บังคับต้องทุกข์กดในขณะบังคับผู้จะลักสําคัญว่าของสิ่งนั้นก็ดีสําคัญว่าของสิ่งอื่นก็ดีและลักได้ของตามบังคับดังนี้เป็นประรชิกทั้งสองก็ค huh ือทั้งผู้ลักและผู้บังคับถ้าผู้ลักสําคัญว่าของนั้นก็ดีสําคัญว่าของอื่นก็ดี และรักได้ของอื่นจากของที่กําหนดนั้นดังนี้ผู้บังคับไม่เป็นประราชิกเพราะว่าผิดสังเกตไปใช่ไหมเป็นแต่ผู้รักอันหนึ่งดังพิสุผู้อาจารย์บังคับพุทธรักขิต่ว่าท่านจงบอกธรรมรักิตให้บอกแกสังรกิตให้รักของชื่อนี้ดังนี้ต้องทุกกฎในขณะบังคับพุทธรกิตไปบอกธรรมรักิตก็ต้องทุกกฎธรรมรกิตไปบอกสังรกิต สังคร์คิตรับจารัสอาจารย์ผู้บังคับเดิมต้องสุดจิตเลยนะถะบอกถึงคนสุดท้ายคนสุดท้ายก็รับแล้วเดี๋ยวผมจะไปรับเองอาจารย์คนที่ใช้คนแรกก็ต้องถูดจิตสังคาร์คิตรับของนั้นได้ตามบังคับดังนี้ต้องปาราชิดด้วยการทั้งสี่รูปเลยเพราะว่าร่วมมือกันถ้าผุ้ธรคิตข้ามธรรมร์คิตสียไปบอกสังคร์คิสังคร์คิสก็รับได้ตามกําหนดดังนี้ อาจารย์ผู้บังคับเดิมไม่เป็นประราชิกเพราะว่าผิดสังเกตบอกให้ไปบอกกันตามลำดับแต่พุทธรักิตก็ข้ามธรรมรักิตไปโดบอกสังขรักิตเลยอาจารย์ผู้บังคับเดิมก็ไม่เป็นประราชิกเป็นแต่พุทธรักิตผู้บังคับรองและสังขรักิตผู้รักเท่านั้นส่วนธรรมรักิตก็ไม่รู้อินโนอินเนอะไรก็เลยค้นไปทิ้งตู่บังคับผู้อื่นให้รักแล้วมีความวิปัิสารร้อนใจห้ามเสียให้ได้ยิน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 ก็แลอัตระสารกะนั้นว่ายังอาตระให้สําเร็จก่อนแต่การลักได้แก่พิจูบังคับพิจูว่าท่านอ่านลักของสิ่งนี้ของผู้นู้นได้เมื่อไรท่านจงลักเมื่อนั้นเถิดดังนี้ถ้าผู้รักบังคับนั้นคงไม่มีอันตรายในระหว่างแต่ลักได้เป็นแน่ผู้บังคับเป็นปาราชิกในขณะบังคับผู้ลักเป็นปาราชิกในเวลาที่ลักอนหนึ่งพิจูเอารองเท้าเป็นต้น อันจะดื่มน้ำมันครบราคาบาทหนึ่งได้ทิ้งลงในหม้อน้ำมันของผู้อื่นพอรองเท้าหลุดจากมือก็เป็นประราชิกอย่างกล่าวมานี้ชื่อว่าอัตสากะให้สำเร็จประโยชน์ก่อนจะการรักเลยนะเป็นอบัตก่อนได้ของนั้นมาเพราะว่าจะต้องได้แน่นอนธุระนิเสปะนั้นว่าสำเร็จเป็นการรักด้วยปรงธุระดังพิจุโจอทเอาที่สวนเป็นต้น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 หมวดหมีสาหติกาเป็นต้นก็คืออะไรสาหะทิกอาอนัตติกานิสติยะอจสาจจกะแล้วก็ธุระนิเขปะต่อไปก็แลปุพพะประโยชน์คะปัญจกะนั้นว่าหมวดแห่งการลักห้ามีประโยคก่อนเป็นเบื้องต้นปุพพะประโยชน์ค่ะนี่ก็ประโยคก่อนละละหะประโยคก็เป็นไปนพร้อมกับการลักสังวิธานวหานอันทีสาม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 เป็นการลักพร้อมด้วยประโยคที่ทำของเขาให้เคลื่อนจากฐานจะเป็นอบัตตอนที่ทำให้เคลื่อนเรียกัาษาประโยคเป็นไปพร้อมกับการกระทำต่อไปสังวิทาวะหานั้นว่าเป็นอันลักด้วยกันทั้งหมดด้วยชักชวนกันไปลักคือพิกูจนมากโดยการชักชวนกันจะไปลักสิ่งใดแล้วแม้แต่องค์หนึ่งลักของสิ่งนั้นได้ก็เป็นฟาราชิกด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อชักชวนกันไปก็ คนหนึ่งรักได้ก็เป็นอบัตทั้งหมดสังเกตรกรรมนั้นว่าทำสังเกตคือดพิษูบังคับพิกสุด้วยกําหนดการมีเวลาเช้าเป็นต้นว่าท่านจงรักของสิ่งนั้นในเวลาเชา้าและผู้รับบังคับไปรักได้ในเวลาเช้าตามกําหนดดังนี้เป็นประราชิกทั้งผู้ใช้ทั้งผู้รักถ้าผู้รับบังคับไปรักในเวลาอื่นมีเวลาเย็นเป็นต้นผิดสังเกตผู้ใช้ไม่เป็นปา ร, ราชิก ้แต่ผู้รักผู้เดียวก็คือใช้ไปรักตอนเช้าแต่ว่าผู้ที่ไปรักไปรักตอนเย็นอันนี้ผู้ใช้ก็ไม่เป็นอบับดั็นแต่ผู้รักอย่างเดียวอย่างนี้ชื่อว่าสังเกตกรรมเพราะเป็นอวาหารแก่ผู้ใช้ตามที่ทําสังเกตก็แลนิมิตกรรมนั้นว่าทํานิมิตมีขยิบตาเป็นต้นได้แก่พิสูจบังคับว่าท่านจงรักในขณะเราขยิบตาหรือว่าพยักหน้าดังนี้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 ห้าหมวดดังกล่าวนี้ชื่อว่าปุกพะระปโยคะปัญจกะต่อไปก็แลเถยยวหารปัญจกะนั้นว่าหมวดแห่งการลักห้ามีเถยยวหารเป็นต้นก็คืออันที่หนึ่งก็เถยยวหารอันที่สองปใสหาวหารอันที่สามปริกับปาวหารอันที่สี่ปฏิชันนาวหารอันที่ห้ากุสาวหารเป็นห้า เทยวหานนั้นลักด้วยความเป็นขโมยดังพิจุตัดที่ต่อมีฝาเรือนเป็นต้นย่องเบาไม่ให้เจ้าของเห็นถือเอาก็ดีหลอกลวงเขาด้วยตาช่างเกียดตนานโกงและเงินทองแดงตะ ก, กัวเป็นของปลอมเป็นต้นดังนี้ย่อมเป็นปราชิกอย่างนี้เรียกว่าเทยวหานก็ปใสหาวหานนั้นว่าคมเหงลักเขา ได้แก่พิษุข่มเหงกดขี่แย่งชิงปล้นเอาของผู้อื่นดังโจรปล้นบ้านเป็นต้นและถือเอาตุยอากรเกินปารส่วนที่ถึงแก่ตนดังราชอามาตเรียกเอาตุยอากรเกินที่กัดตอดีดังนี้เป็นปรารชิกเรียกว่าปะใสหาวหานบริกรรมปะวหานนั้นว่าเป็นอันลักตามกําหนดบริกรรมปาวหานนั้นจะมีสองอย่างก็คือกําหนดของอย่างหนึ่งเรียกว่า พันดักปริกัรกำหนดโอกาสอย่างหนึ่งก็เรียกว่าโอกาสปริกัรกำหนดของนั้นก็คือพันดักปริกัรดังนี้ที่สุต้องการจะลักผ้าสาดกลอบเข้าไปในห้องเวลากลางคืนกาหนดว่าถ้าเป็นผ้าเราจะเอาถ้าเป็นได้เราไม่เอาแล้วยกกระสอบขึ้นถ้าแลในกระสอบนั้นเป็นผ้าสาดกไปก็เป็นปา ร, ราชิกในขณะยกขึ้น ถ้าเป็นได้ใจยังไม่เป็นปราลาชิกเพราะว่ามีการกําหนดเอาไว้ก่อนครั้นเอาออกมาท่านนอกแก้กระสอบออกดูรู้ว่าเป็นได้แล้วกลับเอาเข้าไปวางไว้อีกยังรักษาอยู่ก่อนก็ทนเองมีปฏิกับไว้ว่าถ้าเป็นธาถึงจะเอาเป็นได้ไม่เอาแม้รู้ว่าเป็นได้แล้วคิดว่าเราได้สิ่งใดสิ่งนั้นจําจะต้องเอาแล้วพาเดินไปให้วิเนทอนคุงกลับอบัตด้วยปะดะวาระก็คือการย่างเทา้า คือยกเท้าที่หนึ่งระบาดถุลใจยกเท้าที่สองก็ปา ร, ราชิกถ้าวางลงที่พื้นแล้วกลัดถือเอาอีกพอยกขึ้นก็เป็นปราราชิกเลยถ้าเจ้าของเขาร้องว่าโจรโจรแล้วไล่ตามไปทิ้งทิ้งของเสร็จแล้วหนีไปก็ยังรักษาอยู่ก่อนถ้าเจ้าของเขาเห็นเขาถือเอาของเขาไปก็ยังรักษาอยู่ถ้าคนอื่นเอาของเขาไปใช้เป็นพันดะไทย สัานเจ้าของกลับแล้วทิงตุเอ็นเข้าเองจึงถือเอาด้วยปังสุกุลสัญญาและด้วยคิดว่าของนั้นเราถือเอาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเป็นของเราแม้ดังนี้ก็เป็นพันธะไทยยังไม่ประชิดก็ว่ามีความสําคัญว่าเป็นของเราอยู่กําหนดว่าเป็นผ้าเราจะเอาตั้งกล่าวมานี้แหละชื่อว่าพันดะปริกรับก็คือกําหนดของก็แล้วโอกาสปริกรับ กำหนดโอกาสนั้นก็คือกำหนดประตูห้องและหน้ามุกเป็นต้นดังกล่าวแล้วในสังเกตวีตินามนะนั้นกำหนดสิ่งของหรือว่าโอกาสสองดังนี้แล้วและละักนี้แลชื่อว่าปาริกบปาวหานมีกำหนดก็แลปติฉันนาวหานั้นปกปิดไว้แล้วและละักให้พึงรู้ดังนี้ที่ดูได้เห็นของผู้อื่นมีแหวนเป็นต้น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 ถ้าพิจูนั้นถือเอาด้วยสกะสัญญาก็คือสําคัญว่าของนั้นเป็นของเราแต่ครั้งที่เราปิดไว้แล้วถือเอาด้วยบังสุกุลละสัญญาสํญญาคัญว่าเจ้าของเขาไปแล้วเขาทิ้งของนี้เสียแล้วอย่างนี้เป็นพันดัไทยถ้าเข้าใจเป็นของตนแล้วก็ถือเอามาเนี่ยก็เป็นพันดัไทยหรือว่าเข้าใจว่าเจ้าของเขาทิ้งแล้วถือเอาด้วยบังสุกุลสัญญาก็เป็นพันดัไทยเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็ ไปปิดเอาไว้เองมียบัตทุกกฎ ค, นคอนละไปทาอาการไม่ดีไว้แม้ในวันที่สองเจ้าของเขามาค้นหาไม่เห็นเขาทอดธุระเสียแล้วกลับไปพิจุมาถือเอาก็เป็นพันธไทยเหมือนกันภายหลังเจ้าของเขารู้เขามาทวงพิกตุไม่ให้เจ้าของปลงธุระก็เป็นอาหารแก่พิจุคือต้องประชิดเพราะว่าของนั้นเจ้าของหาไม่เห็นด้วยประโยคแห่งพิจุ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 กยังรักษาอยู่ก่อนต่อเมื่อใดยกสดาผู้อื่นขึ้นจากตัวนผู้อื่นพอยกขึ้นก็เป็นอวหารท้องปราชิดถ้าหากว่าทิจุยกสดาตัวแห่งผู้อื่นก่อนด้วยปราถนาจะวางลงในถ่วนของตนเล่าไซเมื่อยกขึ้นยังรักษาอยู่ก่อนเมื่อวางลงก็ยังรักษาอยู่ครั้นยกสดาของตนขึ้นจากตัวของตนเมื่อยกขึ้นยังรักษาอยู่ครั้นยกขึ้นแล้ววางสลาของตน ลงในตัวแน่นผู้อื่นพอพ้นมือก็เป็นอวหารเป็นประชิกอาการที่รักอย่างนี้แลชื่อว่ากุสาวหารห้าหมวดนี้ชื่อว่าเถยยาวหารปัญจากะาในห้าปัญจกะเป็นอาการละห้าละห้าจึงเป็นอวหารยี่สิบห้าโดยพิ่ดานตามอัตตกาิาก็แลนาน า, นาพันณะปัญจากะา กับเอกพันดะปัญจกะไม่แปรกันนะถ้ายกเอาพันดะปัญจกะเสียคงอวาาหารยี่สิบเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเป็นวัตถุที่แตกต่ตางกันก็คือมีวิญญาณกับไม่มีวิญญาณเนี่ยเรียกว่านาณ า, าพันดะปัญจกะแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่มีวิญญาณอย่างเดียวก็เป็นเอกพันดะปัญจกะเพราะฉะนั้นถ้ายกเอกพันดะปัญจกะเอาอเสีย เพราะว่าเหมือนกัารโคงอวหารเหลือยี่สิบอันหนึ่งสหประโยคกับสาหติกะบุคพระประโยคกับอานติกะก็ไม่แปร ก, กันนะักถ้าผสมเป็นอันเดียวกันเสียโคงอวหารสิบแปดเท่านั้นอันหนึ่งอาดิยณนะกับอวหารณะกับธุระนิเคปะก็ไม่แปร ก, กันนะักถ้ายกธุระนิเคปะเสียได้อวหารสิบเจ็ด ถ้าคงธุรานิเขปะไว้ยกอาริยณะกับอวหารณะเทียก็ได้อาหารสิบภกอันหนึ่งที่สุคิดจะไปลักทรัพย์ของผู้อื่นในบุภาพประโยคทั้งปวงตั้งแต่เดินไปเป็นต้นก็เป็นอบัตทุกกฎทุกทุกประโยคจะต้องลูกคำก็เป็นทุกกฎตามทรัพย์ที่เป็นวัตถุแ่งป ร, ราชิกให้ไหวเป็นถุรจัยครั้นลักเอาทรัพย์มาตกหนึ่งหรือว่าย่อนกว่ามาตกหนึ่งก็เป็นทุกกฎ ถ้าทรัพเกินมาตกขึ้นไปตัง้งแต่ห้ามาตกลงมาเป็นทุนลจัยถ้าทรัพย์นั้นห้ามาตกหรือว่าเกินกว่าห้ามาตกขึ้นไปก็เป็นประราชิกอันหนึ่งอธินาทานสิกขาบทนี้ละเอียดสุขุมนักพระอกาจารย์วินิจฉัยไว้โดยในวิจิตต่างๆในคัมภีสมันตะตาสาธิกาซึ่งกล่าวมานี้โดยย่อแล้วท่านสอนไว้ว่าเป็นสิกขาบทละเอียดสุกขุมยากที่จะตัดสินได้ เพราะเหตุนั้นเมื่อมีผู้มาโจทย์พิจุด้วยอธินาทานแม้วินัยทรสอบสวนโดยอวหารประเภทเห็นว่าเป็นอวหารแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินโดยพลันพึ่งสอบสวนที่ห้าสถานคือวัตถุการประเภทอคะคือราคาแล้วก็บริโภคการใช้สอยนางนี้ก่อนวัตถุคือของที่พิจุ ร, รักมาให้สอบสวนดูว่าวัตถุนั้นมีเจ้าของหรือไม่มี ถ้าว่ามีเจ้าของในเวลาเมื่อรักมานั้นเจ้าของมีอะไรหรือว่าทอดอะไรแล้วถ้าเจ้าของยังมีอะไรอยู่ให้ปรับตามราคาของถ้าเจ้าของทอดอะไรแล้วอย่าพึงปรับอาบัติราชิกเธอเลยฉะนั้นเจ้าของทวงเอาก็พึงคืนให้อันนี้เป็นความชอบยิ่งนี้แหละชื่อว่าสอบสวนวัตถุก็การนั้นคือคราวที่รักของนั้นมา ด้วยว่าของนั้นบางคราวมีราคาเสมอบางคราวมีราคามากก็ต้องดูนะว่าการนั้นเนี่ยของมีราคาเท่าไหร่ถ้าได้มาห้ามาศกถึงจะปรับประชิกถ้าไม่ได้ห้ามาศกก็อย่าปรับก็แล้วประเทศนั้นคือที่ที่ลักของนั้นมาของลักมาในประเทศใดให้ปรับตามราคาในประเทศนั้นอักคะนั้นคือราคาของที่ลักมาของใหม่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 ก็คือสําคัญว่าเป็นของของตัวถือเอาอย่างหนึ่งมีวิสาสะคุ้นเคยกันนถือเอาด้วยวิสาสะอย่างหนึ่งยืมมาใช้อย่างหนึ่งของนั้นเป็นของยักษ์เปรตและเป็นของตันเดรชานไม่เป็นของมนุษย์อย่างหนึ่งถือเอาด้วยปังสุกุลสัญญาสําคัญว่าไม่มีเจ้าของอย่างหนึ่งและทิตุที่เป็นบ้าเป็นต้นไม่เป็นอบัตพวกบ้าพวกจิตฟุ้งต้านถูกเวทนาครอบนาแล้วก็ต้นบัญญยัก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 เป็นขโมยคิดที่จะลักอย่างหนึ่งอวหารนังลักได้ด้วยอวหารอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวแล้วหนึ่งพร้อด้วยองค์ห้านี้จึงเป็นปาราชิกอันหนึ่งสิกขาบทนี้มีสมุทฐานสามชื่อว่าอาธินาทานสมุทฐานก็คืออาบัติเกิดแตกกายจิตหนึ่งวาจาจิตหนึ่งแล้วก็กายวาจาจิตหนึ่งเป็นกิริยาเกิดขึ้นเพราะการกระทำก็คือไปลัก สัญญาไม่โมกก็คือพ้นได้ด้วยสัญญาอย่างอื่นไม่ใช่สัญญาละแล้วก็สัจจตกะมีเจตนามีจิตเป็นโลกาวัชชะก็คือมีโทษต่โลกกิเตียนนั่นก็คือเป็นอกุศลต้องอบัต ด, ด้วยอกุศลกายกรรมวิชีกรรมทําได้ทั้งทางกายแล้วก็ทางวา จ, จาเป็นอกุศลได้จิตอย่างเดียวมีเวทนาสามสุข ก, ก็ได้ทุกข์ก็ได้อุเบกขาก็ได้ เกิดได้ด้วยอากุทนทั้งโลภะทั้งโทสะทุติยังปาราชิกังจบอันนี้ก็เป็นทุติยปาราชิกโดยย่อก็สมควรแตเวลาใครทั้นทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนารักษาพระวินยัยเพื่อเป็นปัจจัยในการอบรมจิตตสมาธิแล้วก็วิพัฒนาปัญญาพุรู้แจ้งอริยสัจโดยชั่วการเทินสาธุสาธุสาธุ